แล้วใครจะทำสวนใครจะเลี้ยงนกยูงหม่อมชั้นทาสวนขุดดินปลุนดินตอนต้นไม้พระองค์ทรงเลี้ยงนกยูงก็แล้วกันสบายหน่อยสีครินออกความเห็นเรื่องงานหนักน้าไม่กลัวดอกแต่เมื่อสีครินชอบทำสวนก็ตามใจอาโศกสรุปแล้วอย่าไปพูดพระองค์พูดหม่อมชั้นให้ใครได้ยินเข้านะระวังหน่อย